เป็นศาธนากิจมีบูชาเดพระธรรมสามิตรด้วยน้ำจิบ น, น้ำเลื่อมใสในพระคุณความดีของพระองค์จึงพยายามทุกอย่างในการสร้างวัด ในต่างประเทศว่าจะเป็นลูกวัดอย่างนีผู้ที่เป็นหัวหน้า <c oughs> ก็เรียกว่ามีความอดทนพอสมควนอยู่เป็นความอดทนนี่เป็นคุณธรรมมันสำคัญทนทนหนาว ต้องใช้ฮีตเตอร์หรือถ้ามีเครื่องประกอบฮีตเตอร์ก็ต้องใช้เครื่องเชื่อมเพิ่มติดไฟก็ผินไฟหรือใช้ต้มน้ำร้อนใช้เปร๊บต้มน้ำร้อนอาบเพื่อให้โฟตอนอยู่ได้ด้วยความตั้งใจ ความตั้งใจนี้เป็นบารมีอันหนึ่งในบารมีสิทพัฒน์ทิฏฐานญาติโยมทั้งหลายเ็าให้อุปการะมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่มีญาติโยมอุปการะสังขันร่างกายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัมเบสตาปกิกา ถ้าทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญความดีเอ็นเมทชวนอัตรประโยชน์คือประโยชน์ตนปรัตประโยช น, ยชน์คือประโยชน์ผู้อื่นเพื่อดึงดูดในผู้นับถือพระพุทธเจาสนาให้มีทีพิ่งกังใจ ที่เพิ่งทีต่างใจสำคัญจิตของเราเหมือนขารกที่ยังไม่รู้เวื้อียงสาถ้ากาดมันดาคือสติจิตของเราก็จะดำลงทรงประสาสนาได้ยากจึงอาศัย ทรรมะคือสติคอยควกควบคุณจิตอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกข์วมไม่ใจถ้าไม่ควบคุมอย่างนั้นใจของเราเดินหน้าไม่ได้ต้องถอยหลังการถอยหลังนี่หัวย่อมแพ้เราแก้ไขไม่ได้แล้วก็ขาดความเพียนเมื่อเราเดินหน้า ความเพียรจึงเป็นตัวปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้กิจกรรมที่โราทำสำเร็จรู้ว่าตามเป้าหมายจึงเป็นเกียรติเกียรติของพระพุทธเจ้าที่ลงทุมองเป็นมากิตนะติสันโดภูคาโตเกียรติชื่อเสียงกังดีฟุ้งกระจรไปทั้งตามลมและถวนลม ตามกลิ่นกละลพักกลิ่นจันกลิ่นดอกไม้ทุกเกนิดมันไปตามลมเท่านั้นไปทวนลมไม่ได้แต่กลินคุณฑตัมของพระพุทธ เ, เจ้าเราสวดสม่ำเสมอไม่เบื่อหน่ายยิ่งสวดไปสวดไปเป็นกำลังใจทาให้มีกำลังกายไม้มีกำลังใจ พอผลแห่งความดีปรากฏในใจของเราทุกท่านผลความดีอยู่ที่ใจเห็นปฏิบัติไปเราเห็นกำลังใจเห็นความดีนะั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีเจริญก้าวหน้าคำว่าเจริญก้าวหน้านะั้นเจริญอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันในพนี้ เรามีบุญญาที่การมากสังขารนนี้อาศัยปัจจัยทำสันติสุต่ต อ, อยู่ไปถึงอายุไ ข, อ า, ไขอายุไขอายุไขยังคือความความที้นไปแห่งสังขารไม่สามารถที่จะเชื่อมติดต่อได้ดูคนได้ป่วย ถ้าว่าง ICU ช่วยหายใจก็ได้ไปช่วยคณะแต่ว่าถ้าผู้ไม่บุญอยเป็นหนึ่งสังการปฏิติปปะโตไม่ได้หรือก็ว่ายประโยชน์จนถึงอายุไข กรได้ผู้บำเพ็ญบุญจะทึ้นไปด้วยบุญยักษ์ขยังความขึ้นไปเนี่ยบุญไม่ได้บุญมันอันวัยคือความถูกชงเสริมให้พลังกายให้กำลังใจให้ได้ปัจจัยภายนอกตัวบุญเนี่ประกอบความดีให้ปัจจัยภายนอกและไปให้ปัจจัยภายใน ธรรมะคือสติธรรมะมีถึงแปดหมื่นสีพันระธรรมคันถ้าเราด่าวโดยสั้นๆ ส, สติคือความรู้รู้สึกในการทำความดีความรู้สึกขึ้นมาตื่นสัมปจญญะรู้รอบรู้ในกาย ร, รู้รอบไปหมด เิ็งแวล้อมรู้รอบเข้าใจตัวบุญนี่เป็นเครื่องส่องให้เรามองเห็นตามความเป็นจริงเราจึงกล้าแก้ไขไปตามเหตุผลถึงยังตนให้ดำรงอยู่ได้เพราะมีบุญับบุญญามีชังรานบุญแต่งที่ว่าจิ้งไปด้ยวยบุญญักระดังความทิ้นไป อายุกยังความพินไปทังสานหรือสิ่งไปฏิอันต ร, รายต่างๆทึงเราท่านทั้งหลายเราอยู่ไปเห็น ว, วันหนึ่งวันหนึ่งอุปสรรคท่้งเป็นอันต ร, รายยำดีบีทาชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อย สัตใหญ่ก็บิดเบียนสักสัตว์เล็กกินสัตว์ล็กถ้าามาพิจารณาเห็นอาหาร ว, วันวันหนึ่งมูเห็ดเป็ดไก่เอาเรไม่ได้ฆ่าเองแต่เราเวลาพิจารณาเร า, าอาศัยสัตว์นี่เรามาส่วนบนภาวนาคือแพ่ส่วนบุญยายเป็นบุญเป็นบาปถึงกันแลกกัน อานแผ่เมตตาเป็นหลักธรรมะที่เราสวดเมตตาหลวงจำเบปามาสัตว์ที่มีลมหายใจเราเรอทนท่าก็มีลมหายใจที่ท่านสอนในเจริญกรรมฐานลมเป็นสำคัญลมมัน เป็นเครื่องอยู่ของของจิตเหมือนร่างกายจิตอาศัยกายลมเป็นเครื่องผลคือบำรุงสังขารให้ทรงอยู่ได้จิตใจของเราก็อาศัยกายอยู่ได้ แค่นี้เรามาตั้นโสในาภาวนาตัวภาวนาคือการการะทำความดีโดยการนึกภาษาฌานสมาิตักคือตรึกอยู่นึกถึงธรรมาชาติของของลมหายใจ มันก็เดินทธรรมานตามหน้าที่ให้รู้ว่าธาตุนี้มีความกัดตันญยูต่อร่างต่อชีวิตและจิตใจของเราถ้าไม่มีความกระตันญยูลมไม่เดินให้ยใ้เข้าไม่ออกเป็นคงบอกให้รู้ว่าชีวิตดนตรี คือความเป็นใหญ่คือชีวิตไม่มีความหมายฉะนั้นลมไม้ใจเป็นสำคัญให้ดำรงทรงชีวิตนี้เป็นอยู่ได้ตัวนึกคือตัวคือตัวสติคุมจิตให้อยู่กับลม รู้ลมหายใจลมหายใจเข้ากงให้รู้ดีคังเรีว่ายาวกงให้รู้ออกยาวก็ให้รู้ตัวรู้นี่แหละจึงเป็ตัวภาวนาตัวพทตัวภาวนา เมื่อเรารู้อย่างนี้จึงหล่อหลอมจิตใจเราอยู่ได้สบายไม่ถูกกิเลสปกกลุมมุโม่จึงรู้ถ้าเรามีสติรู้อย่างนี้นิวรเข้าไม่ได้ ไม่อโอกาสนิวนเข้ามาเพ้าตัวนิวรณ์ดานสอนว่าเป็นตัวมันแต่เราไม่ได้ศึกษาเราไม่เข้าใจที่เราทำอะไรไม่ได้ไม่สำเร็จเพราะนิวนบางเองเสนอเป็นเสือโครง่งอันตรายเสือนี่อันตราย นอกจากกูบาลอาจารย์ท่านเผ่เมตตาอย่างหลวงปู่ขาวหลงปู่ขาวหลวงปู่มั่นสมัยนั้นยังไปอยู่ในถ้ำออกบินาบาบ ท, <c oughs> ท่านก็รู้ว่าเคยปราบเรือเสือเนี่ยเคยเป็นกัลยาณมิตรมาก่อนปัจจุบันก็เรียกว่าพูดกันเข้าใจ คนเรามันเกิดหลายภพหลายชาติปุถิบเ า, าเพนภารนาก็สามารถลึกชาติได้แต่ไม่ท่านไม่พูดแต่พูดไปก็ได้วดอุตริมนุษธรรมทำที่ไม่คนในเข้าใจนั้นข้ามอยู่ในใจซึ่งไม่สามารถจะเป็นไปได้แต่ความจริงของหลักธรรมผู้ใดปฏิบัติได้ผู้นั้นเป็นผู้รู้ ธรรมะมคือผู้รู้ธรร ม, มาปรากฏในจิตของผู้ใดผู้นั้นคือเป็นผู้รู้มียานขึ้นมาเ<ม><ม>จนองแปดบริบูรณ์อะไรผู้ใดใครปฏิบัติในองแปดครบบริบูรณ์จากคุ้งอุดาปี จักกุ้งคือตาทิพมันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตาทิพเห็นการไกลเป็นวิสัยทัศสมัยนี้ผู้ที่มีปัญญาแหลมคมคมไครคือมาตัดได้ตัดสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเราภาวนาไปไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีถึงตัดมันในแพทย์เดี๋ยวนี้เขาผ่าสมองบ้างมีพระโจอยู่ที่กอมยี่สิบเจ็ดเป็นคนขอนเก่นดทำไม่ผ่าสมองห้าสิบห้าสิบหรือไม่แน่ เป็นเย็นต้งผ่าสองครั้งต้องให้เลือดอยู่ด้วยยังอยู่สบายอยู่เวลา น, นี้ดี น, ใ น, ในายแพทย์เ็าศึกษาเราเรียนวิชาการส่วนทางศาสนาเนี่ยกับพุทธิย้าวพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเพียสงไข่เสนหมาครับบารมีนั้นเต็มเฉินทานบารมี เราพิจารณาที่ไหนที่ไหนคนก็สุนาันาปราศัยกันหลวงพอ่พอหลวงพ่ยอยะโสธรคนไปบุญยาหลังไหนสับคนไปมีศรัทธาไม่พูดถึงแล้วตัวศรัทธาตัวทำบุญเสียสรามองเห็นภาคพศของความดี และเป็นเรืองใเกิดความสุขทางใจอย่างนี้ใครบอกกันไมพูดกันไม่ได้ผู้ดใดใครทำเองผู้นั้นเห็นเองหลักธรรมะมันอยู่ที่จิตผู้ทีิบัติฏิบัติจิตได้สำเร็จได้ยิ่งสำเร็จชาน่ะมักแฝดกั น, น, กนจากคุ้งวายาหนงังยาหลังลึกลงไป สมัยนี้เขาสามารถย่างลึกน้ำลึกเท่าไหร่ขึ้นบนฟ้าเท่าไหร่เขาบอกกันได้่วนยานการรู้ในพบก่อนๆเที่าปุเพนิวาสานุทติยามให้เราบำเพ็ญฌานให้ได้ทุกคนให้เป็นพลังใจทุกคน มันมาเต็มแล้วก็เป็นกายสิทธิ์ขึ้นมาเป็นอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาแต่สงค์เช่นใดก็เป็นตามความประสงค์นั่นพระพุทธเจ้าสิทีมันตก มันรู้ถึงถึงความสำเร็จเล้วเมื่อสำเร็จแล้วมันอะไรมันสำเร็จแล้วได้ประโยชน์ของในปัจจุบันเหมือนเราทำวัดเสร็จเนี่ยสำเร็จแล้วพิญญาจะแปรให้ได้ประโยชน์ประโยชน์อันนี้เราประมาณไม่ได้่หยความสุข ตรอดไปอย่านั่งย่างลึกลงไปวปุพเพนวานุสติญาณอย่างเห็นชาติก่นคนเห็นชาติก่นเลยมันเบื่อเเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ มันประเดมีบ้าเกิดมาในพอปัจจุบันมีดาคลองแผ่นดนนนินเป็นเป็นกริย์ตนเป็นชาติก่อนคลองแผ่นดินยี่สิบปี กันนานาไว้ถ้าเราเชื่อมั่นในในหลักการอันนี้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้จึงตรัสไว้จึงทวงราประวัติของพระองค์เองจึงเกิดนิปีิธาไม่อยากจะครองแผ่นดินเ ย, ย่สิเปไปตกงนางรกสอง0มื่นเปคิดดูเยวันหนึ่งวันหนึ่งในสวรรค์ วันหนึ่งวันหนึ่งในมนุษย์เท่าร้อยปีในเมืองสวรรค์้องคิดดูเลยเนอนรกนเป็นพันๆปีสองหมื่นปีครองแผ่นดินยี่สิบปีตก น, นรกสองหมื่นปีหลุดขึ้นมาเกิดเป็นในแผ่นดินปัจจุบันเลทรงเห็นแล้ว รัวลัวบาปท่านไม่กลัวบุญทำตนเป็นบุคคลให้เขาหุนเกลียดเป็นบ้ายพูดได้แต่ไม่พูดทำกัะปกกระเปียเทียแข่งเทียขา จนประชาชนเห็นว่าเป็นคนกาลากานันนีเป็นคนที่วิกลจริตผิดวิสัยเป็นภัยกับบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะนั้นประชากนจึงยุบพระบิดาให้ลงโทษดูนำไปฝังทางเป็นท่านก็ยองยอม มันมันทุกพรบเดียวทานี้น เ, เป็นทุกพรบหลาชาติไม่ได้แต่ถึงอย่างไรผู้ที่มีบารมีคือความดีจะเป็นมาผูธ้ธจเจ้านะี่นะเขาทำอะไรไม่ได้ดยัยงโกรบิดาอีก ถามพแสดงสิบกปีไม่เป็นอร่อยปกติจึงทาพูดกับคนที่นำตนไปฝังขุดดินทสหายท่านทำอะไรนขุดฝังประเดมีว่าท่านผิดอร่อยอย่างนี้ แล้วใครพูดเรียนเนี่ ย, ยประเดี๋ยวมีใบเ oh. ชิญท่านไปกรอบความไม่เอาแล้วเห็นไผเห็นไผในวัฏจาในวัฏจานี้เป็นไัยภาษาว่าภาษาธรรมะที่เราศึกษากิเลสวัดหมุนไปตามกิเลสกิเลสมันหมุนไปเรื่อยโลกมันจะกลมหมุนไปตามกิเลส เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนเกิดจิงกิเลสสวัสด์หมุนไปตามกิเลสทุติยุบปติก็มีความเก่ความเจ็บความตายเราบำเพ็ญภาวนานีเพื่อตัดพบมมันชั้น เวัดมันลดมันเบางกรรมวัดหมุนไปทำกรรมอยู่ในวัตฏะเขาทำกรรมเ่ทำกรรมดีมัง่งกรรมชั่วบางมันปนกันไปนอกจากเป็นพระอริยบุคคลขั้นโุดาบันท่านจะทำความดีท่าน ท่านไม่วันไหวแล้ววิบากะวัดผลเมื่อเกิดก็ผลวิบากชาติชาติทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดจะเกิดเป็นอย่างไรอก็มีทุกข์ทางนั้นผู้มีสติปัญญาดี มีสติปัญญาพิจารณาแล้วเห็นคือความทุกข์วันนี้ทุกอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ทุกอย่างนี้แหละวันนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นอน า, อนาคตวันนี้จึงเป็นอดีตมันใกล้ๆพิจารณาเห็นง่ายๆไม่ยากอาดีตกับอนาคตแต่ถ้ามีญาณอย่างเห็นลึกลงไปหลายพอหราชาต มันทรงโลกอาชาธตเพราะงั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพุทธจิตของพระพุทธเจ้าทรงหน้าที่ทำหน้าที่ของพุทธะเพื่อโปรดวิเนยสัตวิเนยสัจสัที่ควรโปรดได้จิตกุกนยยกข้อธรรมขึ้นเข้าใจ ปกติดันอยู่ยกหัวข้อทำก็เห็นทำผู้มีปัญญาวิปบติดันอยู่อธิบายขยายเนือ้อความเหมือนเขาศึกษาสถาปัตยกรรมแยกเป็นส่วนส่วนส่วนตัวนั้นเรียกอย่างนั้นตัวนี้เป็นที่กอย่างนี้เหมือนในกายของเราเนี่แหละแยกเป็นส่วน เพราะงั้นควรแก่การศึกษาในร่างกายอันนี้ถึงให้ลกความชราเมื่อศึกษาเข้าใจมันตัวไหนตัวปัญญาคือพิจารณาไปแก้ตัวนั้นธาตุอะไรมันบกพร่องเพิ่มธาตุอันนั้นในกายของเรานี่มีธาตุสี่เช่นธาตุดิน เหมือนการเพาะื้เพาะพืชต่างๆมันขาดปุ๋ยก็เพิ่มปุ๋ยเข้าขาดน้ำก็เพิ่มน้ำเข้าพืชพันธุันยานก็ได้กินมาแล้วก็โยนธาตุไปก็เพิ่มเพิ่มธาตุไเพิ่มธาตุน้ำแก้ไขบางครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พวเราพิจารณา เราจนชานาญวสีคือความชำนาญใจเราแก้ไขได้เลยเห็นมาส่วนนั้นควรแก้ไขธาตุอันนั้นเหนทากไปมันมากเกินบันมาร้อนเหมือนฮิตเตอร์อย่างเงี้ยแต่ไม่พอดีถ้าร้อนเกินไปก็ลดธาตุในกายของเราเหมือนกันครูบาอาจารย์ ท, ท่านอธิบายาตรวจอ จเจริญจนฉันานเข้าใจนี่นจเจริญธ า, าตุเราเจริญธาตุอะไรปัตตวีธาตุธาตุธาตุดินธาตุดินอย่างนี้นธ า, า, าตุดินวาโยธาตุธาตุลมธาตุลมกาหนดเพียงเราหนดลมหายใจแต่เรารู้ลมหายใจแล้วเราก็เข้าใจในกายมันทั่วสรงผ่างกาย ขายายลมเข้าไปจนลมเบาลมหนักอย่างนี้ลมหายใจลม ใ, ลมในท้องลมในท้ยงลมทั่วสัร่างกาย แล้วเราจเจริญญาณก็กาหนดพิจารณาจเจริญในธาตุขยายธาตุออกไปให้พอดีพอดีทำธาตุให้พอดีพอดีในลักษณะทนี้ความพอดีที่ท่านตรัสรมัจจิ ม, มาปฏิปาฐาไม่โยนไม่ตึงมัจจิ ม, มา สัมมาทิฏฐิคือเห็นธรรมความเป็นจริงของรูปธรรมพอนี้เห็นทุกข์เราจึงแก้ทุกข์ได้แต่เราจะไม่เห็นทุกข์เราก็แก้ทุกข์ไม่ได้เมื่อนายแพทย์เขาตรวจรู้สมุทฐานโบราณเขาเขามีในมหาสติปัฏฐานตักคูโลโคสุตาโลโคคานโลโคชิวะโลโค เาซาโรโคมาโนโรโคโลกหัวใจไหมปิตาโลโคอัตีโรโคบ้าไว้โลกในอาการสามที่สองครนี้เรจะเริยนเข้าใจแน่เนี่ยตัวอาหารยาดินในแพทย์เก็ง่ายกว่ากับตัวยาที่ก็มาปรุงมาเนี่ย ในหมายถึงกันในในลักษณะของของของบุญนะเป็นได้ในตัวยาที่ถูกต้องให้ยาที่ถูกกับโรคโรคก็หายแล้วเดี๋ยวก็อยู่ไปได้าอายุไขแต่ผู้บำเพ็ญความดีความดีนี่มันต่อไปอีก ยังมีพืชเมล็ดมันพืชของวัตถุเก็บไมก้ก็ถึงฤดูการก็ปลูกอีกมันเป็นพืชแตกรากแตกใบแตกเปลือกแต่แกนก็ น, นอผลผิดผลออกมาเป็นศาสนาเป็นศาสนาสาคุล ทุกคนควรสนใจแต่เราเข้าใจในเรื่องศาสนาแนละ้วคนอยู่กันด้วยสันติภาพด้วยความสงบระับเข้าใจกันนะเข้าใจความหมายของชีวิตแต่ละชีวิตทุกชีวิตต้องการความสุขทุกชีวิตไม่ต้องการความทุกข์เมื่อเข้าใจบําเพนธรรมทำเข้าสู่ใจเมื่อไหร่ ความดีมันอยู่ปรากฏตีจิมันมองมองเห็นความดีไปหมดจัดเล็กจัดน้อยฉะนั้นจึงว่าความจำนานของการเจริญชาญกันจึงเรียงไว้ รัจนาตกแต่งไว้ท่านมีปัญญาปีชาฉลาดทัานตกแต่งไว้แต่ขอรับรงว่าเป็นความเป็นจริงอย่างที่เราชวดท่องบุญกันไปจำเป็นสัจธรรมที่ตกคือกรึกให้รู้รมหายใจ วิจารณ์พิจารณาลมหายใจถ้าเห็ น, นเห็นเห็นจิตอยู่กับลมหายใจเพราะตัวจิตนี่สำคัญ จิตที่มีธรรมะเป็นพลังของจิตถ้ามีพลังเกศงหน้ากูบาจะนิริตขึ้นมามีฤทธิ์ที่มีธรรมะอิติบาตพร้อมบริบูรณ์ดังนันคุณก็ไ ป, ปตั้งธรรมังนุปัตโต บรรลุฤทธังพงศ์เลยเป็นวิชาการของพระพุทธเจ้าของสาวกบางรูปถึงในเวลานี้ก็มีเหมือนกันแต่เรามีอุปนิสัยปัจจัยอินทรีย์แก่กล้า ไปหาคุบาอาจารย์ท่านเพียงพูดเพิ่นเพิ่นลก็เข้าใจสิ่งที่อะไรมันสัมผัสธรรมะมาสัมผัสกับจิตจิตของเราก็มีธรรมะก็ เ, เกิดความรู้ชัดรู้แจ้งแจงกระโรด ค, ความปีติปีติคือความอิ่มอิ่มกายอิ่มใจเบากายเบาใจกายก็เบามันปุยนุ่นเนง่ยนั้นพระอะไรเจ้าท่านจึงหาไปได้อมเห็ใหนะเครื่องยนต์เครื่องบิน พาคนตั้งสองโรยสามโรยพลังมันเรียนจากหลักธรรมทำความเป็นจริงของสิ่งที่เห็นอยู่อย่างนกมันเป็นเบล า, ากาศธรรมชาติคือของความดีขึ้นมาต่างต้องเป็นเป็นสัจธรรมคำสอนในทางเป็นของไม่หมันเขาจึงเข้าใจกัน อย่างเราเราท่านๆทำไปทำไปเราเข้าใจเองอยู่สบายสบายกายสบายใจจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจิตไม่คุ้งชานไม่ถูกนิวรลบวนจิตของเราไม่วุ่นวาย เข้าใจในกายนักข่าจะรู้ที่มาที่ไปของร่างกายมันเกิดยานขึ้นภายในใจ mm hmm. อินทรีย์มันเกิดกล้าจากคุณริยังตาก็เกล้าขึ้นมาโชดอินทรีย์ังหูท่านพ่อว่าเหมือนกับ คนมีมีมหูภ า, ายในมีตามีหูทิพย์ภ า, ายในก็เปิดได้ยินเสียงไกลหูทิพย์ภาษาของธรรมะโชตินตรอยังคือ ค, ความปัญญาอูทิศอารมณ์อย่างอื่นไม่ไม่ไม่เข้ามากาัมบังท่านตัดไว้ดังนั้นคานินทรียังลำโอริน ใจยินใจไกลชีวิตที่ย่างรถกลายยินที่ยังคือกายความรู้สิ่งอะไรมาสัมผัสกายรู้มานินทรียยังใจเป็นใหญ่ ินทรีย์จากอุนทริยังโตดินทริยังาินทรยทีวินทรยาดินทริยัมอินทรย์ินทรีย์นี่ความเป็นใหญ่มองอไเห็นการไกลีวินทริยัก็นีจ่จากดินทริยั ชทพาเป็นเป็นใหญ่ครับถึงคนตาตาใกลเมืนก็ใกล้ใกล้ ก, ก, ล ก, บ ก, กับมันยิ่งใกล้ชิดกันมาซันอีกแต่กลุ่มบารมีตาตาถึงใต้กับมึงไกลใกลมันก็ใกล้จทินพิรยังมีอำนาจเห็นเห็นความดีนี่เป็นเครื่องโลล้มชีวิต ให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ดีประโยชน์การบำเพ็ญต่ำนี้ประโยชน์ให้ความสุขปรมัตต์สุขสุข่าถึงพระนิพพานแต่เรายังอยู่ในวาาัฏฏะเขาทุกข์เป็นเราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละไม่ต้องไปสงสัยอะไรหรอกครับ ทุกอย่างเลก็เขาทุกอยู่อย่างนั้นนอกจากเข้าสู่ระารุญมบุคคลคือประโสดาบันสกายติทิไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นตัวยึดมั่นถือมั่นตัวทุกข์มันเรากำมือไม่วางไม่มีทางที่จะแก้ทุกข์ได้จึงตั้นตรมา ไปทุปีนี้ไม่เป็นที่เลยถ้าไปดูผู้ปาราณาันโทพยายาึดรูปไปเแตีนี้กายนี้ไม่มีบิดมิดมีตัวมีตนแต่วันสิ่งที่มันรวมมาเป็นธาตุมันรวมก็เป็นตัวเป็นตนแต่พวกผู้ผูู้มีสติปัญญาดีมียานภายในเห็นไม่มีตัวไม่นี่ะจึงไม่ยึดถือมันเหมือนกล้องน้ํกล้้องนาแข็ง มันละองประเดี๋ยวก็ละลาดไปหมดชีวิตของเรามือมันอยู่ไปอยู่นานถึงร้อยปีชีวิตนี้เก็ไม่มีความหมายอะไรนอกจากผู้สร้างความดีไว้ อ, อย่างนี้ผู้ที่สร้างวัด ธ, ธรรมธโรทุกท่านก็เข้าใจกันเป็นอนุสรของชีวิตที่เราสร้างความดี อาใช้ความดีจะไม่ยึดถือความดีมันนําเป็นเงานะครับมันติดดวงจิตต่อไปไม่หนักหาอะไรไม่ต้องแบกต้องหามอะไรของอยัางอื่นต้องแบกต้องหามตรงช่วยกันเวเดนูปารานาขันธูเวทนาที่เราไปยึดมั่นถือมัน่ะเวทนาแต่จริงเวทนานั้น ถ้าอวมาเห็นว่าเหมือนก็มือนต่อมน้ำเราก็ไปเห็นมันก็แตกมันก็แตกชีวิตนี้แต่แดงเรามองไม่เห็นปฏิฉันนะเพดานังมันแต่ปกปิดจิตเราไม่มีธรรมมองไม่เห็น ก็เหมือนจำเปีเขาบอกเหมือนจำเปมาอยู่ใกล้แกงไม่รู้รสของแกงอกลิ้นรู้รสของเกลืองอยรู้คุณค่าของเกลืออะไรทำมาตร็เหมือนกันธรรมะเหมือนก็เ ก, กลือเป็นธรรมะที่รู้มีคุณภาพสำหรักเราล้อมจิตใจของเราเอาสมบัติ ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยติดดวงจิตไปไม่แยกขนสมบัติอ น, นั้นไปคือความดีเป็นเป็นเป็นสมบัติติดดวงจิตไปจินบําเป็นทานผู้ใดบําเป็นทานทานนั้นติดดวงจิตผู้นั้นไปผู้ใดบําเป็นศีลผู้นั้นก็ถือเอาศีลไปเป็นกรอป้องกันภัย อาธิสงของผู้บำเพ็ญศีลสุรตตาสุสันธานาสุรูปตาอาทิป จ, จังความเป็นยิ่งใหญ่มันมีอยู่แล้ ว, ลวคือความเป็นยิ่งใหญ่ของบุคลบคลเขาเขาสร้างไว่แล้วเขาทำไว้แล้วเขาให้ตามความจรของเขามีอยู่ความเป็นผู้มีศีลผู้ที่มาเป็นวัวหน้าคนต้องมีคุณภาพขึ้นมา ใจจริงจริงใจทำอะไรก็จริงทำเพื่อประโยชน์ของสังคมทุพสีญจสุรุปรตาภาวนาคือความฉลาดการภาวนาที่เรา ฝึ ก, กจิตลมหายใจลมหายใจมันก็บหินรับมีดเอาเอ า, เอาสติจับกิจมาให้ อ, อยู่กับลมหายใจใจก็มันคมแต่นะีมันเรารับมีดรับ นิ่งเห็นดีขึ้นมากรณีสัลมดีดิ่งเหมือนกับเครื่องบินบินไม่มีมีไม่มีไม่มีอากาศอากาศไปเรียบไปเลยไม่มีอากาศไปเรียบไปเลยเหมือน เรือกับนั้นโยนก็เหมือนกันเรืออะไรสมัยก่อนชักไปไปไวปอีกนั่นแล้วมัมีมตัมะคือคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจแล้วลมหายใจเป็นยอดชีวิตของเราอะไรอื่นๆก็เมื่อไม่เหมือนกับลมหายใจเราอาศัยกายในธาตุที่อาศัยกาย แค่นภาวนาตัวภาวนาคือพูดโถเป็นผู้รู้ขึ้นมาพระบรมโอรรรเป็นศาสตราดีแห่งโลกโรงพ้นจากทุกข์แล้วเราดําเนินตามพระพุทธเจ้าตินโนโยวัฒนุขคำมาท่านพ้นจากทุกข์แล้วท่านแสดงอิทะพระพุทธเจ้าบัดขึ้นบัเกิดขึ้นในโลกแสดงธรรม ธ ร, รมโมจะเดชิโตแสดงธรรมแล้วที่ธรรมายเนี่ยตัวตัวธรรมเนี่ยการชี้เอายกนี่นะขันธ์ธรรมปนกคือขันธ์ห้าชี้เอาไกยเนี่ยเราท่านตั้งร้าย ม, มีมีธรรมะอยู่แล้วคำภีเดินได้ไปไหนก็แบกคำพีไปด้วยไม่ต้องหนักหนาอะไรแต่เราเข้าใจในคำภีคือรู ป, ปะขันธ์อันนี้พิจารณาอยู่อยู่สม่ำเสมอ ขันดับมันจอกคือขันห้ารูปทั้งหมดที่เรารูปเอากระจกมาสรงล้วจะมองเห็นรูปใครไปสร้างให้เราหมันดาบิดาเป็นลังอยู่ของเราเถิด